สมณีรีผู้ได้ศึกษาศิษยาในธรรมหกข้อตลอดสองปีคำว่าแม่คุณถ้าเธอจะติดตามเราตลอดสองปีความว่าเธอจะอุปถากเราตลอดสองปีคำว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะบวชให้เธอความว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะอุปสมบทให้เธอคำว่าภายหลังพิกษุณีนั้นผู้ไม่มีอันตรายคือเมื่ออันตรายไม่มีคำว่าไม่บวชให้คือไม่บวชให้ด้วยตนเอง คำว่าไม่ควรขวายใช้ให้บวชให้คือไม่สั่งพิกษณีรูปอื่นพอทอดทุรว่าจะไม่บวชให้จะไม่วขวายใช้ให้บวชให้ต้องอบัดป่าจิตตี